ตอนที่สี่สิบน่ากลัวเกินไปแล้วหลินเซินก้าวไปข้างหน้าหมายจะเรียกนางแต่กลับถูกม้าสูงใหญ่ของเ ย, ย่หัวขวางเอาไว้ซื่อจื่อมีธุระอันใดจะคุยกับน้องสาวข้าหรือว่าที่พี่ภรรยาจะล่วงเกินไม่ได้หลินเซินจึงจำต้องผ่อนน้าเสียงลงอย่างเสียไม่ได้แม้ทับน้อยข้าเพียงอยากคุยกับเยาเยาสักสองสามประโยคซื่อจื่อเชิญกล่าวมาเถิดข้าจะช่วยถ่ายท่อให้เองหลินเซินข้าอยากคุยต่อหน้า เยาเยาไม่อยากพบท่านหลินเซินเย่หัวที่อยู่บนหลังม้ายิ้มกริมทว่าแววตากรับเย็นเยียบซสื้อจะยังมีทุนระอื่นอีกหรือไม่หลินเซินเขายังจะพูดอะไรได้อีกเย่หัวไม่เกรงใจแม้แต่น้อยหากไม่มีเช่นนั้นก็ขอลาเย่หัวกระชากบังเหียนม้าและตะโกนก้องกลับจวนหลินเซินทำได้เพียงยืนมองรถม้าเคลื่อนจากไปไกลสุดท้ายด้วยความไม่ยินยอมจึงวิ่งตามไปสองามก้าวและตะโกนใส่รถมา้า สิ่งที่เปิดซื่อจือรปากไว้จะไม่มีวันผิดคำพูดในเมื่อเจ้าไม่ยอมรับเสื้อผ้าค่าก็จะส่งไปจนกว่าเจ้าจะยอมรับชาวบ้านเต็มท้องถนนต่างพากันหันมามองนั่นคือซื่อจือ่อองซินและนั่นก็คือรถม้าของจวนกัวกงหรือว่าซื่อจื่อจะทำให้อนาคตพระชายาไม่พอใจเข้าแล้วเมืองหลวงกาลังจะมีข่าวลือเรื่องใหม่ให้แพร่สะพัดอีกแล้ว ลินเซินหาได้สนใจเรื่องเหล่านั้นไม่เขามองไปยังหอทิงสเสวีเอกลับพบว่ามีกลุ่มพ่อค้าผู้มั่งคั่งเดินเรียงรายออกมาจากด้านในทุกคนต่างมีรอยยิ้มประดับใบหน้าครั้งนี้คุณหนูสายตรงของจวนกัวกงเป็นผู้นำในการทำกุศลพวกเราได้ออกแรงเทียมไม่กี่ส่วนไม่แน่ว่าอาจทำให้ฝ่าบาททรงท่อพระเนตรพวกเราใหม่นั่นสิวันหน้าพวกเราที่มีส่วนร่วมออกไปเจรจาค้าขายย่อมมีหน้ามีตาเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนการค้าใดเล้วจะเจรจาไม่สำเร็จคนเหล่านั้นพากันหัวเราะร่ายอย่างเบิกบานใจ ลินเซนมองตามพวกเขาที่เดินจากไปพรางรู้สึกประหลาดใจนางจะทำกุศลเพราะเหตุใดมีเรื่องใดบ้างที่ซื่อจื่ออ๋องสิ้นอยากรู้แล้วจะสืบไม่ได้ลินเซนเพียงแค่แสดงป้ายคำสั่งจนสิ้นอ๋องออกมาพ่อค้าเหล่านั้นก็คลายทุกอย่างออกมาจนหมดสิ้นที่แท้หลังจากเยี่ยยเาถูกจับตัวไปก็นางได้รับความกระทบกระเทือนใจจนล้มป่วยหนักและยังไม่หายดีเสียทีเจ้าอาวาสวสเวียนก่วงได้สวดมนต์ขอพรให้นาง โดยกล่าวว่าต้องหมั่นทํากุศลและสร้างสมบูรณ์บารมีให้มากจึงจะมีผลบุญหนุนนําให้ค่อยๆดีขึ้นดังนั้นวันนี้นางจึงพายเย้ยหัวมาพบปะกกับเหล่าพ่อค้าเหล่านี้เพื่อขอความร่วมมือในการรวบรวมสเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์และแจกจ่ายโจกทานลินเซิร์ยกยิ้มมุมปากบรรเทาทุกแจกจ่ายโ จ, ก, จกนั้นหรือเรื่องนี้เขาถนัดนักไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่และไม่ได้กล่าวอะไรต่อเพียงหมุนกายเดินจากไป รถม้าของจวนกัวกงเคลื่อนออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วบรรยากาศภายในรถม้ากลับตึงเครียดสาวใช้ทั้งสองไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเพราะเกรงว่าจะไปสะกิดโทสะของคุณหนูเข้าเย่เยาตั้งแต่นั่งบนรถมา้าก็น่ามึดด้วยความโมโหโดยเฉพาะหลังจากที่หลิงเซินตะโกนไล่หลังมาแววตาของนางแทบจะฆ่าคนได้เจ้าสารเลวนี่ตื้อเก่งเหมือนแย่เจ้าชู้ที่ติดเสื้อผ้าไม่มีผิดสลัดอย่างไรก็ไม่หลุด เขาไม่รู้หรืออย่างไรว่าการตะโกนกลางถนนตอนกลางวันเช่นนี้พอตกบ่ายเรื่องอื้อเฉาของทั้งคู่จะแพร่ไปทั่วเมืองหลวงชื่อเสียงของนางที่เป็นถึงยอดหญิงผู้สูงสักอันดับหนึ่งของเมืองหลวงจะไม่รักษาไว้เลยหรือการมัด น, นี้นางต้องรีบถอนให้เร็วที่สุดเขาส่งเสื้อผ้ามาทุกวันเลยหรือยี่ยย่าเ อ, าเอยปากสาวใช้ทั้งสองพยักหน้าหกหั ก, กราวกับไก่จิกข้าวไม่ใช่แค่ส่งมาเจ้าค่าแต่เขายังมาส่งด้วยตัวเองอีกด้วย มาทุกวันเลยเจ้าข้าหากคุณหนูไม่ยอมพบเขาแม้เพียงวันเดียวเขาก็จะส่งมาไม่หยุดเยี่ยวกัดฟันกรอดจนเกิดเสียงดังตลกสิ้นดีจนกัวกงขาดแขนเสื้อผ้าชุดเดียวของเขาหรืออย่างไรอีกอย่างตอนที่อยู่ในวัดร้างก็ไม่ใช่เขาเสียหน่อยที่ฉีกเสื้อผ้าของนางขาดเขาจะรีบเสนอหน้ามารับผิดชอบทำไมกันหรือว่าเจ้าหมอนี่จะเริ่มมีใจให้นางจริงๆเยยวขนลุกสู้ขึ้นมาทันที นางรีบกอดตัวเองพางลูกแขนไปมาอย่างแรงน่ากลัวเกินไปแล้วสาวใช้ทั้งสองมองหน้ากันไปมาวันนี้แดดออกเจ้าอากาศหนาวขนาดนั้นเลยหรือก็ไม่เห็นจะหนาวเลยสักนิดนิ่งไปครู่หนึ่งเย่ยาก็พล่งขึ้นใหม่ครั้งพรุ่งนี้จงรับเสื้อผ้าที่เขาส่งมาเสียทำเช่นนี้เขาจะได้เลิกราไปเสียทีใช่หรือไม่อ๋เจ้าค่ะ สาวใช้ทั้งสองตกตะลึงคุณหนูนับวนจะยิ่งแปลคนขึ้นทุกทีลินเซิร์นกลับถึงจวนอองด้วยความรู้สึกปลอดโปรง่งทว่าสิ้น อ, องกลับกําลังเดือดดานเป็นการใหญ่เป็นไปตามคาดเขาถูกเหล่าขุนนางฝ่ายตรวจสอบโจมตีในราชสํานักจนเสียหน้าป่นปีเ้เยอ่ออเสียพยายามกล่าวเตือนด้วยเจตนาดีแต่เขากลับมองว่าเป็นการฉวยโอกาสเยอะเย้เขาโกรธจนคว้างถ้วยน้ําชาทิ้งล้วนเป็นพวกคนถอยราชวงศ์จิ้งอันต้องพินาศด้วยน้ํามือพวกคนถอยกลุ่มนี้เข้าสักวัน จากนั้นหวังเฟยก็เข้ามาปลอบโยนเหมือนเช่นเคยส่วนเซี่ยชิงจือก็ร้องให้เสีอึกเสือื้นโทษว่าเป็นความผิดของตนเองหลินเซินรู้สึกปวดหัวแต่ก็จำต้องกล้าเข้าไปและกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของสิ้นอ๋องทันทีเจ้าลูกตัวดีหายหัวไปไหนมาอีกจับมือสังหารได้หรือยังหากเจ้าจับไส้ศึกและมือสังหารได้เร็วขึ้นสร้างความดีความชอบใหญ่หลวงจนสิ้นอ๋องของพวกเราจะต้องมาเสียหน้าเช่นนี้หรือหลินเซินก้มหน้าลง เสด็จพ่อโปรดวางพระไทยลูกมีแผนรับมือแล้วจะไม่ยอมให้เสด็จพ่อถูกพวกขุนนางตรวจสอบโจมตีในราชสำนักอีเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนในครอบครัวต่างหันมามองเป็นตาเดียวสิ้นอ๋องเจ้ามีแผนรับมืออย่างไรหวังเฟยพยายามส่งสายตาให้เขาอย่างสุดชีวิตเซินเอ๋อเจ้าต้องมีแผนที่ใช้ได้จริงนะมิเช่นนั้นเสด็จพ่อของเจ้าจะยิ่งปลื้มกว่าเดิมประโยคหลังนี้หลิงเซินได้ยินชัดเจนในใจ ใบหน้าของเซียชิงจือยังไม่หายดีนางยังคงสวมผ้าคลุมหน้าไว้และรีบก้าวเข้ามาหาด้วยความร้อนใจที่เซินท่านออกไปเพียงครู่เดียวก็มีแผนแล้วหรือเจ้าคะเมื่อได้ยินเช่นนั้นมุมปากของหลิงเซินก็ยกขึ้นเล็กน้อยเซียชิงจือสายตาแหลมคมนางมองเห็นทุกอย่างชัดเจนยามปกติเคยมีใครทำให้เขาเผยรอยยิ้มออกมาได้แม้เพียงนิดบ้างไม่รู้เพราะเหตุใดในใจของเซียชิงจือพันเกิดความไม่สงบขึ้นมา นางรู้สึกลางๆว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเยี่ยวยาอีกแน่และก็เป็นไปตามคาดเมื่อหลินเซินเอ่ยปากออกมาก็เป็นชื่อของเยี่ยวยาต้องขอบคุณเยี่ยวยาวเวตาของหลินเซินดูอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดนางถูกลักพาตัวไปครั้งนี้จนได้รับความกระทบกระเทือนใจและล้มป่วยหนักเจ้าอาวาสวัสเวียนกวงจึงให้นางหมันทํากุศลสร้างสมบูรณ์บารมีคนในครอบครัวฟังแล้วยังไม่เข้าใจความหมายต่างพากันมุนงงหลินเซินกล่าวต่อ วันนี้เยาเยานัดพบกับเหล่าพ่อค้าผู้มัง่งคั่งในเมืองหลวงหวังให้พวกเขาช่วยออกแรงรวบรวมสเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์และแจกจ่ายโจกทานถึงตรงนี้สิ้นอ๋องก็เข้าใจในทันทีจวนกัวกงเก่งแต่เรื่องสร้างภาพเช่นนี้คิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรืออย่างไรทำกุศลสร้างสมบุรณบารมีอะไรกันเห็นชัดว่าทำเพื่อพวกผู้ อ, อกพยศจากสิ้นโจที่หากันมาเมืองหลวงนั่นแหละของเงินบรรเทาทุกข์จากฝ่าบาทไม่ได้ถึงกับต้องเอาเรื่องนี้มาลงที่ลูกสาวตัวเอง เสียแรงกายแรงใจและทรัพย์สินไปกับการแจกโจกบรรเทาทุกสู้เอาเงินนั่นไปใช้เป็นงบประมาณทหารเพื่อปราบปรามความไม่สงบในแผ่นดินยิ่งดีเสียกว่าหลินเซินไม่เห็นด้วยสเสด็จพ่อกล่าวเช่นนี้ไม่ถูกนะักช่วงนี้นับนผู้อพยพในเมืองหลวงยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปย่อมเกิดความวุ่นวายแน่จำต้องรีบจัดการจัดที่ทางให้เรียบร้อยโดยเร็วสิ้นอองฟังไม่เข้าหูแม้แต่น้อยเขาตบโต๊ะดังปังเหลวไหล เจ้าเป็นถึงผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เมืองหลวงจะวุ่นวายหรือไม่ไม่ใช่เจ้าเป็นคนกาหนดหรอกหรือผู้อพยพจะมากเพียงใดแล้วอย่างไรใครกล้าก่อเรื่องก็จับตัวมาฆ่าทิ้งเสียเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างลินเซิร์นรู้สึกจนใจอย่างยิ่งสเสด็จพ่อหากพวกเราสามารถจัดการเรื่องผู้อบพยพได้ก็เท่ากับช่วยแก้ปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดอย่างหนึ่งของฝาบาท จนสิ้นอองจะมีความดีความชอบใหญ่หลวงฝาบาทจะทรงประทานรางวัลแล้วพวกขุนนางตรวจสอบจะยังกล้าหยิบยกเรื่องจนกัวกงมาโจมตีท่านอีกหรือสิ้นอองยังคงดื้อรัน้นไม่ได้พ่อลูกตระกูลเย่ยนั่นแหละที่ใช่เหตุผลเรื่องภัยพิบัติมาขัดขวางไม่ให้ฝาบาทอนุญาตให้ข้าเคลื่อนทับหากจนสิ้นอองของพวกเราไปร่วมบรรทาทุกด้วยมิเท่ากับว่าพวกเราเห็นพ้องกับคำพูดของพ่อลูกตระกูลเย่หรอกหรือแล้ววันหน้าข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยามจะทูลขอฝาบาทเพื่อเคลื่อนทับอีก